หนังสือวิญญาณหลังความตาย EP ที่หนึ่งทหารไปไหนกันหมดต้นเดือนสิงหาคมปี1914ก่อนการเสียชีวิตของอาร์บพริเชตนายทหารหนุ่มจากนอร์ทแฮมป์ตันเชียรนามจอร์ดวูดขึ้นท่าเรือฝรั่งเศสพร้อมกองทหารอาสาสงครามแห่งอังกฤษเขาอายุ20 เป็นคนอ่อนไหวและหัวดือ้อพ่อของเขาเป็นผู้ดีอยู่ในชนบทอังกฤษเขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะถูกม้าล้มทับแต่ยังพยายามหางานทำและยังคงอ่านบทสวดมนต์สำหรับครอบครัวให้แก่ภรรยาฟังทุกเช้ารวมทั้งลูกๆและค้าทาสบริวารในบ้านด้วยบูตรหนุ่มจำเป็นต้องอดกลั้นต่อความกลัวการฆ่าฟันไม่ว่าจะเป็นการฆ่าคนฆ่าสัตว์ เพื่อมาร่วมรบตามใจผู้เป็นพ่อและปรากฏว่าเขาต้องติดแน็กอยู่ในวังวนของสงครามนองเลือดที่ประวัติศาสตร์ขนานนามการลบครั้งนี้ว่าการล่าถอยจากสัต์ร้ายนี่คือสงครามกับกองทัพไกเซอร์เป็นสงครามครั้งแรกที่ไอเบรสมันเป็นประสบการณ์ซึ่งเขาไม่มีวันลืมและมีเหตุการณ์หนึ่งตามมาหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิต คู่ทหารร่วมสงครามกับเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสบีบมือของเขาแน่นมีชีวิตหลังความตายหรือเปล่าเขากระสิทธจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามีเขาตอบ ท, ทั้งทั้งที่ไม่แน่ใจทหารนายนั้นเสียชีวิตลงวูดเก็บคาถามนี้ไปถามอนุศาสนาจารย์ของกรมทหารจะเกิดอะไรขึ้น เขาถามกับบรรดาผู้น่าสงสารที่ถูกฆ่าเราต้องเชื่อในไบเบิลเคยมีใครกลับมาพิสูจน์ชีวิตหลังความตายไหมบูรถามไม่มีอนุศาสนาจารย์ตอบยกเว้นจีัสบูรเป็นหนึ่งในผู้โชคดีเพราะเมื่อปี1915เขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและตาบอด เขาต้องเข้าโรงพยาบาล น, นานถึง6เดือนได้รับการเปลี่ยนตาขวาและตาข้างซ้ายของเขาไม่สามารถจะใช้งานได้อีกเลยเขาถูกปลดประจำการปี1916และกลับไปช่วยดูแลฟาร์มของพ่อที่ดินผืนใหม่จำนวน400เอเคอร์ในฮ r ร์ i วิ e y อ s ตอร r y ที่บ u c k i n g ฮมเช h i r e ความลำบากในการทำงานส่งผลให้เขาเกิดความทะเยอทะยานแรงกล้า เพื่อหาคำตอบให้แก่คำถามซึ่งอนุศาสนาจารย์ตอบให้เขาไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราตายระหว่างทศวรรษที่20และ30เขาตระเวนไปทั่วศาสนจักรเพื่อดูว่ามีบทใดให้คำตอบซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่เขาได้คำตอบคือไม่มีเลยตอนปลายทศวรรษ30 พ่อของเขาเสียชีวิตการทำฟาร์มกลายเป็นเรื่องลำบากต้องดิ้นรนเขาและภรรยาย้ายไปอยู่ครอยดอนแถบชนบททางใต้ของกรุงลอนดอนตอนนั้นนิกเกลลูกชายของเขาเพิ่งหายจากอาการไขสันหลังอักเสบหลังจากนั้นไม่นานวันหนึ่งเขาเดินผ่านอาคารก่ออิฐสีแดงและสะดุดตากับป้าย มาฟังคําพูดของความตายอาทิตย์ต่อมาด้วยเจตจำนงแน่วแน่เขาเข้าไปนั่งใกล้ประตูอาคารหลังนั้นจับตาดูพิธีกรรมทางจิตวิญญาณครั้งแรกในชีวิตพิธีกรรมและการแสดงของผู้วิเศษไม่ได้สร้างความประทับใจให้แก่เขาเท่าไรนะักเขาลุกขึ้นไม้จะจากไปพอดีกับเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้น เสียงที่ค่อนข้างเข้มงวดเป็นจริงเป็นจังว่าฉันต้องการคุยกับสุภาพบุรุษข้างหลังนั่นเขาตัวสั่นด้วยความกลัวและคนอายเขารู้ดีว่านางหมายถึงเขาคุณพ่อของคุณอยู่ที่นี่นางเริ่มท่านบอกว่าท่านคือวิลเลียมบูชตอนอยู่บนโลกท่านเป็นคนพิการเพราะประสบอุบัติเหตุท่านบอกว่า ท่านต้องการคุยกับลูกชายของท่านคือจอร์จท่านบอกท่านอยู่ที่สถานที่ที่เรียกว่าฮาร์ดวิลล์ท่านยังบอกว่าท่านเป็นห่วงมิเกลลลูกชายของคุณเขาต้องเข้านอนเร็วกว่านี้ไม่งั้นไข้จะกลับบูดตะลึงงนินนี่เป็นมายากลหรือหญิงคนที่เขาไม่เคยพบจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร เป็นไปได้หรือว่าพ่อของเขากลับมาจากความตายเพื่อตอบคาถามของเขาในใจบูดเริ่มสับสนขณะเขากลับบ้านเขาพยายามไม่คิดถึงเรื่องใดนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าตนมีงานที่จะต้องสารต่อเขาเริ่มงานค้นคว้างานใหม่โดยการเข้าร่วมสมาคมที่มีการค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณที่สมาคมแห่งหนึง่ง เขาพบชายคนหนึ่งซึ่งช่วยเขาจัดคอร์สสำหรับการสำรวจเรื่องวิญญาณ r ร v e r ร์แวนเดอร์ตันโทมัเป็นพระในนิ ก, กายหนึ่งของโปเตสแตนซึ่งเข้าร่วมกลุ่มผู้สอนศาสนาที่คำสอนค่อนข้างท้าทายเขาไม่ป่าเปื่มกับพวกออร์โดอกเหล่านี้แต่ก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพราะมีเป้าหมายบางอย่างนั่นคือ การย้อนกลับไปดูในสิ่งที่พวกเขายังไม่แน่ใจว่าคืออะไรส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ถือเป็นนักเดินทางในโลกวิญญาณและเริ่มมีการคิดกันว่าถ้าบันทึก 1,900 ปีของพระทิต์ไม่มีผลใดๆในการค้นขว้านี้พวกเขาคงต้องรื้อฟื้นข้อมูลกันใหม่โดยข้อพิสูจน์ของการสื่อสารในศตวรรษที่10จากบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ นี่เป็นงานหนักทุกวันนี้สมาคมแห่งาศาสนาเพื่อการศึกษาด้านจิตวิญญาณมีกิจกรรมเข้าทรงโดยมีการสนับสนุนของาศาสนาจักรแห่งปิชชอบอังกฤษและผู้นำนิกายเมโทดิสในปี1945อาร์ตปิชชอปแลงรวบรวมรายงานคณะกรรมการของเขาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและพิธีกรรมจึงเกิดการลงความเห็นกันว่า การสื่อสารกับความตายนั้นถือเป็นงานของปีศาจด้วยเหตุนี้เลวเวรันเดรตันโทมัสจึงแนะนำบูทให้ไปค้นคว้ากับการชี้นำด้วยเสียงของคนทรงจากอังกฤษว่ากันว่าเลดลี่ฟลินต์มีพรสวรรค์ประหลาดที่หายากนั่นคือความสามารถในการดึงดูดวิญญาณของคนตาย ยกย้ายไปสู่อีกสถานที่หนึ่งและยังให้วิญญาณ น, นั้นสื่อสารออกมาได้ผ่านทางกล่องเสียงหรือไมโครโฟนซึ่งจะติดตั้งให้อยู่เหนือศีรษะของคนทรงสามฟุตบูดได้รับการบอกกล่าวว่าวิญญาณจะติดต่อกับความนึกคิดของเราได้โดยกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายปรินได้สร้างเครื่องสั่นสะเทือนซึ่งทาให้เขาพูดได้คล้ายกับการใช้โทรศัพท์ และกำเนิดเสียงออกมาบูตได้ไปร่วมพิธีของคนทรงเสียงที่สื่อออกมาทางเครื่องมือหลายเสียงนั้นอ้างว่าเป็นญาติที่ตายไปแล้วของเขาเสียงนั้นพูดกับเขาโทนเสียงที่สื่อออกมาพร้อมกับข้อมูลต่างๆทำให้บูตตัดสินใจว่านั่นคือเสียงของวิญญาณจริงๆคำถามของเขาได้รับคาตอบแล้ว การจากไปอาจดูเหมือนจุดจบหากแท้จริงแล้วนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้น